เหมือนคุมทรัพย์ที่เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์อโม น, นี้ง่ายหนึ่งคำถามนี่มก็ตอบยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เลือกจะเกิดมามืนไม่เหมือนถามว่าทำไมเรียนวิชานี้ทำไมเข้ามหาวิทยาลัยนี้ทำไมแต่งงานกับคนนี้อันนี้เราตอบได้เพราะว่าเราเป็นคนเลือกแต่ว่าในเรื่องการเกิดมาเราไม่ได้เป็นคนเลือก ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเราเลือกได้เราก็พงตอบได้ว่าเราเกิดมาทมําไมตอนนี้ง่นี่ก็อาจจะตอบได้ง่ายๆว่าไม่รู้ไม่รู้เกิดมาทําไมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดสําหรับศาสนาที่เขามีพระเจ้านะเขาก็ตอบได้ว่าเอออันนี้ <essayer S 2> ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนให้เราเกิดมาเราก็ต้องถามพระเจ้าว่าจะให้เกิดมาทําไม เพราะฉะนั้นคําถามว่าเกิดมาทําไมมันก็ยังเป็นคําถามซึ่งหาคําตอบได้ไม่ลงตัวแต่ว่าถ้าเราถามอีกคาถามหนึ่งอันนี้น่าจะตอบได้มากกว่าก็คืออยู่ไปทําไมเกิดมาทําไมนี่เราไม่ใช่เป็นคนเลือกว่าจะเกิดและไม่เกิดพ่อแม่ให้เราเกิดมาแต่ว่าอยู่ไปทําไมนี่เราน่าจะตอบได้เพราะว่า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 แล้วก็จุรมนมวัว่ามีสุขภาพดีมีเงินดีก็ต้องอาศัยงานดีด้วยมีสุขภาพดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากโดยว่าคนไทยเวลาเราขอพรจากพระทำบุญก็อยากให้มีอายุวันนะสุขภาพละปฏิพานธนสารสมบัติแต่ก่อนก็มีบก พ, พร4ประการตหลังก็เพิ่มอกสองเป็น6แต่ของเดิมมีแค่4ี่คืออายุวันนะสุขาพละ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 อันนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่ผู้คนก็ปรารถนากันแต่ว่าบางคนซึ่งอาจจะมีไม่น้อยเลยก็อาจจะสนใจเพียงแค่ว่าขอยมีเงินเท่านั้นเองถ้าฉันมีเงินแล้วนะอย่างอื่นฉันไม่สนใจแล้วอาจจะเพิ่มขึ้น่าอีกหน่อยคือมีเงินแล้วก็มีสุขภาพดีแต่ไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจเพื่อนเพราะโดยเพราะในยุค น, นี้เป็นเรื่องยุคบริโภคนิยมทุกคนก็หวังความมั่งมีสีสุข แล้วถ้าจะให้เลือกแค่อย่างเดียวเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เลือกว่าขอให้รวยเพราะฉะนั้นพรที่อยากจะได้จากหลวงพ่อคูณเนี่ยก็คือบ้านนี้อยู่แล้วรวยนี่คือพอรที่ใครๆก็อยากได้จากหลวงพ่อคูณกูขอให้มึงรวยนะนี่ก็เป็นคําที่อยากจะได้ฟังจากหลวงพ่อคูณกูขอให้มึงรวยแต่รวยแล้วมีความสุขไหมนะคนไม่ค่อยถามเท่าไหร่เพราคิดว่ารวยกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งมันก็ไม่จริงใช่ไหมเพราะว่ารวยแล้วก็ไม่มีความสุขก็เยอะรวยแต่ว่าป่วยเป็นมะเร็งเนี้ยมีประโยชน์อะไรรวยแต่เป็นโรคหัวใจนี่มีประโยชน์อะไรรวยแต่ว่าลกูกติดยานะมีประโยชน์อะไ ร, ม, ร, ะะไรมีความสุขไหมถ้าแต่คนก็ไม่ค่อยสนใจนะขอให้รวยเอาไว้ก่อนเพราะคิดว่าถ้ามีเงินแล้วนะสุขภาพเอ่ยหรือว่าครอบครัวมันก็จะตามมาแต่มันก็ไม่จริง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 แต่การนอนให้หลับนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยแม้แต่หมาแมวนี่มันนอนหลับได้ง่ายๆแต่ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่นอนไม่หลับทั้งๆ้ที่มีเงินเยอะเพียงแค่การมีเงินมากมายมันก็ไม่ใช่คําตอบและยิ่งมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มีคนนึงแกเป็น C ีอนะก็เรียกว่ามีฐานะการเงินที่ดีแล้วก็ปรากฏว่าพอแก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 ก็พบรายงานการวิจยัยหนึ่งที่บอกว่าคนที่มีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่สูงสิงกับใครมีโอกาสที่ตายเพราะโรคหัวใจมากกว่าคนธรรมดาถึงสี่เท่าพอเห็นงานวิจยัยนี้ก็ตกใจเพราะว่ามันคล้ายกับตัวเองเลยนะตัวเองนี่ก็เรียกว่าไม่มีครอบครัวมีภรรยาก็หยา่ามีครอบครัวก็เลิกกันเพื่อนก็ไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมด้วย มันเป็นปัญหาของตัวเองก็งเลยเกิดความตื่นกลัวขึ้นมาและสิ่งที่แกทําก็คือว่าก็เริ่มพยายามที่จะไปพบปะผู้คนไปคบค้าสมาคมกับผู้คนมากขึ้นก็มีกิจกรรมอะไรที่เป็นงานสาธารณะก็ไปช่วยแต่ก่อนเก็บตัวเอาแต่ทํางานแต่หลังเนี่ยพอความตายมันเข้ามาใกล้ตัวนี่ก็เกิดความตื่นตัวก็ไปช่วยเหลืองานส่วนรวมมากขึ้นมีเพื่อนมีมิตรสหายมากขึ้นก็ปรากฏว่า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 คนที่กเกษียณแล้วมีเงินเยอะแต่ไม่มีงานทําก็ทุกข์แต่บางคนนี่แก่ให้ไปทำอาสาสมัครแยกขยะที่ประเทศไต้หวันนี่มือที่เฉือจีน้นี่เขาเป็นแหล่งที่คนไทยไปดูงานมากก็ก็มีงานหนึ่งที่มีชื่อมากคืองานแยกขยะขยะไม่ว่าจะเป็นกระดาษพลาสติกขวดน้ําหรือว่าอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกนี้เขาเอามาแยกเอาชิ้นส่วนที่มีประโยชน์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 บางคนถึงก็บอกว่าตัวเองนี่เป็นขยะคืนชีพคือทําไปทํามาไม่ได้ทําให้ขยะที่ตัวเองทําที่แย่นั้นมีมีคุณค่าขึ้นมาใหม่เท่านั้นแต่ว่ามันทําให้ตัวเองนี่มีคุณค่าขึ้นมาใหม่เพราะได้ทํางานไม่มีงานทํามีแต่เงินก็ไม่มีความสุขนะงนั้นมีงานดีต้องมีเงินดีก็มีงานดีงานดีในที่นี้ไม่จำเต้องเป็นงานที่มีมีรายได้เยอะๆแต่ว่าหมายถึงงานที่ทําให้ตัวมีคุณค่า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 นะมีคำศัพท์เป็นภาษาบาลีวัทิถะธรรมิกถ ะ, ะฟังยากนะแต่ว่าก็แปลประโยชน์ชั้นต้ น, ป ร, น, ตนประโยชน์ปัจจุบันนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ควรจะมีพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้แต่เห็นว่าถ้าจะมีก็ต้องมีให้เป็นหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าต้องรู้จักท ร, รมาหากินมีความเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบนะนี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาก็สอนสอนให้รู้จักธรรมาหากินให้รู้จักเก็บรู้จักออม ท่านสอนแม้กระทั่งว่าจะจะ อ, อมเท่าไหร่ได้มาแล้ว1ส่วน1ในสีก็ต้องไปใช้จ่ายนะเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวอีกหนึ่งใน4นะก็เอาไปใช้ลงทุนทำกิจการที่เหลือนี่ก็ใช้ในการเก็บเอาไว้อ่าสในสีนี่ครึ่งนึงเอาไว้เพื่อลงทุนกิจการต่างๆ ต, ต, ต่อไป1ในสีนี่ที่เหลือนี่คือก็เอามาเพื่อเก็บไว้ในยามที่ปัจจุบันทันด่วน ผูเจ้าสอนข้ละเอียดขนาดนี้นะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยจะต้องจัดสรรปันส่วนอย่างไรแต่เท่านี้ยังไม่พอชีวิตทีด่ดีเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้เท่านั้นมันยังมีชีวิตที่ดีกว่าด้วยชีวิตที่ดีกว่าคือก็คือชีวิตที่มีความสุขใจมีเงินดีมีงานดีมีสุขภาพดีมีเพื่อนดีครอบครัวดีมันยังไม่พอนะต้องมีความสุขใจ ด, ด้วยบางคนก็ จ, จะถามว่า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 เป็นอธิบดีก็แล้วก็ยังไม่รู้สึ ก, กพอไม่มีความสุขเพราะว่าต้องเป็นประลัดกระทรวงเพราะแล้เนี่ยเงินดีงานดีแต่ถ้าหากว่าใจนี่มันวางไว้ไม่เป็นหรือว่าไม่มีความพอก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยก็เหมือนกันการมีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีกี่คนที่พอใจกับการมีสุขภาพดีเท่านั้นนะสุขภาพดีก็ไม่พอนะมันต้องสวย มันต้องสวยๆแล้วก็ยังไม่พอเราต้องสวยกว่าเขาอันนี้เป็นเรื่องของใจแล้วคนที่มีความทุกข์เนี่ยจํานวนมากนี่เขาไม่ได้ทุกเพราะสุขภาพเขาไม่ดีนะสุขภาพเขาดีไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เขาทุกข์นันนี้คือปัญหาของคนในปัจจุบันคือไม่ว่าจะมีดีแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าดีไม่พอมีงานดีแต่ก็ยังดีไม่พอต้องมากกว่านี้มีเงินดีแต่ก็ยังดีไม่พอต้องมีเงินมากกว่านี้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 ประยชน์ชั้นสูง ห, หรือสัมไตรยกัตถะบางคนก็แปลว่าประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์พบหน้าโน่นให้ตายไปแล้วโน่นถึงค่อประสบก็ได้เหมือนกันอันนี้ประโยชน์ชั้นสูงนี่จะได้มาอย่างไงนะก็ได้จากการทําความดีต้องมีศีล น, นะต้องรู้จักแป่งปันคือจาระต้องมีปัญญาปัญญารู้จักมองถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์กับเรื่องนี้ไม่เป็นสาระ ได้เท่าไหรก็ไม่พอเพราะว่าใจนี่เขาคอยเปรียบเทียบกับคนอื่นเขามีมากกว่าเรามีเงินดีกว่าเรานะอันนี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัญญาด้วยนะคือการรู้จักมองแล้วทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาคือความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามถ้าเรามีสี่อย่างนี้เป็นอย่างน้อยเนี่ยคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะหรือที่ง่ายคือทานแลนะมีปัญญาเนี่ย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 สมัยนั้นก็ต้องใช้วิธีการเดินเท้าเดินเท้ากลับไปบ้านซึ่งอยู่ในชนตําบทระหว่างทางนี่ก็ปรากฏว่าไปเจอหนองน้าซึ่งมันแห้งแกก็เลยเห็นปลาที่มันกำลังจะตายหลายตัวเลยมันติดปักอยู่ก็เลยช่วยปลาเอาไว้เอาไปปล่อยในสระในหนองที่มันมีน้ํามากกว่าแล้วกลับบ้านไปที่บ้านก็ดีใจที่ลูกสาวกลับมาก็อยู่ที่บ้านนาเรนนะ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 เกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นในหตองที่กลับบ้านไปในตอนที่อยู่บ้านได้ทําอะไรไหมาสาวใช้ก็ก็เล่าให้ฟังว่าทาอะไรบ้างแล้วก็เล่าถึงที่เตืองนี่ไปช่วยจับปลาที่กำลังตายเนี่ยเอาไปปล่อยหนอง mm. สินสายเห็นก็ได้ยินงั้นก็เลยเข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุ น, นี้เป็นเพราะที่เขาได้ทําความดีมันนี่องที่ทําให้เขายังมีชีวิตได้ยืนยาวต่อไปได้เรื่องนี้ก็ได้ยินมาหลายปีแล้ว ก็คิดว่าเป็นนิทานนะที่ส่งเสริมให้คนทำความดีแต่ว่าสัก 3-4 สปีก่อนก็ได้ยินเรื่องราวทานองนี้เนี่ยจากพยาบาลคนหนึ่งพูดถึงหมอที่ว่ายน้ำแล้วก็เกิดจมน้ำจมน้ำอยู่ในสระนี่นแหละอยู่นานทีเดียวก็คงจะหลายนาทีอาจจะมากกว่า10นาทีด้วยเอาขึ้นมาได้เนี่ยปรากฏว่าต้องกู้ชีวิตกันเป็นการด่วนต้องมีการปั๊มหัวใจพอปั๊มหัวใจมันก็ ก, ก็ทางานนะแต่ว่าสักพักก็ หัวใจก็ทำท่าจะหยุดเต้นใหม่ก็ต้องปั๊มกันอีกไอเพราบอลนี้เราวนนี้ต้องช่วยนเนี่ยนานหนึ่งเชั่วโมงเงี้ยกว่าเจ้าตัวนี้จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็สมองก็ไม่เป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าเขารอดมาได้อย่างไรตอนที้ช่วยนานมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปเที่ยววัดป่าแห่งหนึ่งแถวเชียงใหม่เขาไปเยี่ยมไปที่กุฏิแห่งหนึ่งเห็นไม้เท้านะอยู่หน้ากุฏิก็สะดุดใจเพราะว่า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 แล้วเขาก็ไปช่วยมดทีละตัวทีละตัวให้ขึ้นมาจากฝังเกือบทั้งรังเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้นะการทำความดีของเขาเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้เขามีชีวิตยืนยาวขึ้นทำให้เขาไม่ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับ น, ะนิทานที่เล่าที่ลอยฝังเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เรียกว่าบุญบุญเนี่ยการที่เราทำบุญทากุศลเนี่ย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 ประจักษ์แจ้งในสัจธรรมจกนกระทั่งเข้าถึงสุขที่สุดสุขที่สุดนี่ก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานนี่คือปรมาถะประมาถะคือประโยชน์ขั้นสูงสุดนิพพานคือความสงบเย็นสงบเย็นที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสารเสริญเยือนยอไม่ขึ้นอยู่แม้กระทั่งกับสุขเป็นชีวิตที่มีความสุขได้ทำกลางความ ผ, ลผลลันผวนป่วนแปลของชีวิต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 ไม่มีงานทําก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขสุขภาพไม่ดีก็ยังต้องพูดเรื่องงานพอไม่มีใครพูดเรื่องงานด้วยก็เงอยเหง า, หงายัางมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะซึ่งเราเป็นถ้าเอ่ยชื่อก็มีชื่อเสียงก็เป็นคนที่ลีเริ่มอะไรต่างๆที่น่าสนใจยอย่างเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะแต่พอป่วยเป็นนําพลึกมีปัญหาด้านสุขภาพทําอะไรไม่ค่อยได้ก็เริ่มเงอยแล้วยิ่งเมือแต่ก่อนนี้มีคนมาคุย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 ในชีวิตแบบนี้เนี่ยวตัตถจักรแบบนี้เนี่ยเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะจนกระจ่างแจ้งนะจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่า ย, ยึดถือเลยเรียกว่าปล่อยวางได้อันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าถึงความสุขเลือกสุขเหนือสุขนะทางพุทธศาสนาเรียกวันิพนะ า, า, า, า น, านอันนี้คือประโยชน์ขั้นสูงสุดที่คนเราเนี่ยควรจะเข้าถึงให้ได้ถ้าเกิดว่าเรา ไม่สามารถจะพข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยช่วยของเราเนี่ยมันก็ยังเรียกว่าสุก ส, สุขดิบๆนะมันไม่แน่นอนความสุขที่เรามีในวันนี้เราไม่มีความแน่ใจหรือว่าพรุ่งนี้จะทุกข์หรือเปล่าแม้แต่ชีวยของเราในวันนี้เราไม่มีทางรู้หรือแน่ใจเลยว่าพรุ่งนี้เรายังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าพาสิทิเบเขาพูดว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาถึงก่อนบางคน อาจจะไม่มีโอกาสเห็นวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าชาติหน้ามาก่อรตรงเนี้คือความจริงของชีวิตที่คนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตเกิดปัญญากระจ่างแจ้งจงกระทั่งปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกข์ในพระไตรปิดกนี้มีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องของนางมริกานางมริกานี่เป็นภรรยาของเสนาบดีชื่อพันทุลละก็เป็นเสนาบดีที่พระราชาเนี่ยไว้ใจมาก พรามีความเก่งกล้าในการสงครามแต่ว่าต่อมาเนี่ยพระราชาไม่แน่ใจเกิดระแวงว่าพันธุลานี่ก็จะคิดการใหญ่มาเป็นปฏิปักษ์ก็เลยล่อล่อให้ไปทําสงครามนะซึ่งเสี่ยงอันตรายมากปรากฏว่าพันธุลาก็เก่งนะเอาชนะได้ก็เดินทางกลับมาสู่ราชธานีในระหว่างนั้นเนี่ยพอรู้นางมาลิกานี่ก็เตรียมต้อนรับนะสามี ก็มีการทำบุญกันด้วยก็นิมนต์พระสาลีบุตรมามาด้วยนะก็เรียกว่ามาทำบุญเล้งพระให้เป็นสิริมงคลในระหว่างที่ก็กาลังทำพิธีอยู่นะก็มีคนส่งข่าวด่วนมานางมริกาก็เปิดอ่านจดหมายเปิดอ่านจดหมายเสร็จนางมริกาก็ไม่ได้มีอยากกลับกิริยาอะไรแล้วเก็บจดหมายนั้นเอาไว้นะไว้กับตัวเสร็จแล้วก็ทาบุญเล้งพระต่อในระหว่างนั้นเองเนี่ย คนใช้ที่กำลังถือถาดนะถือแก้วอยู่เนี่ยเกิดทำแก้วตกจานแตกนะเสียงดังสนั่นเลยหลายจานพรษาระบุนเห็นนะก็เลยบอกนางเมาริกาว่าของมันแตกได้นะอย่าไปหวั่นไหวจะไปเสียใจอะไรที่ของแตกนางมริกาบอกว่าอย่าว่าแต่ของแตกเลยแม้ว่าสามีของดีฉันเนี่ยนะเพิ่งได้ขาวเมื่อกี้นี่เองว่า นะถึงแก่ความตายแล้วเพราะว่าถูกลอบฆ่าโดยพระราชาแม้ได้ข่าวว่าสามีของดิฉันเนี่ยเพิ่งตายไปดิฉันก็ไม่ได้เสียใจอะเลยนะอย่า ว, ว่าแต่แก้วแตกเลยถนะ้าผัวผตายก็ยังจิตก็ยังไม่หวั่นไหวนะเพราะว่าปัญญาของนางมาริกานี่ก็เลยว่าได้เข้าถึงความเป็นอริยะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้หวั่นไหว